าคาไน459เหตุปัจจัยกับอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระนิสยาปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระ ชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีสามวาระสมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตต์ปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิขตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญะขตนา460หกสิปัจจัยห้าคืออัญญะมัญญะสหชาตะนิสยะอธิและอวิขตะมีสามวาระ ปัจัยหคืออัญญามัญญะสหชาตะนิสยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิขตะมีสามวาระปัจจัยหคืออัญญามัญญะสหชาตะนิสยะวิปยุตตะอัตถิและอวิขตะมีหนึ่งวาระอวิปากะสปัจจั ย, จจ ย, XY, ยหคืออัญญามัญญะสหชาตะนิสยะวิปากะอัตถิและอวิขตะมีหนึ่งนะวาระ ปัจเจกคืออัญญมัญญะสหชาตะนิจยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจเจกคืออัญญามัญญะสหชาตะนิจยะวิปากะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะสามอัญญามัญญะมูลกะในจบนิจยะสภาคระในสี่ร้ยหกสิเอด เทตุปัจจัยขับนิสยปัจจัยมีเจดวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมี8ดวาระสหชาตปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอูปานิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจัยมีเจดวาระ อินทริยปั จ, จัยมีเจ็ดวาระชานะปัจัยมีเจดวาระมคคปัจัยมีเจดวาระสำปยุตตปั จ, จัยมีสามวาระวิปยุตตปั จ, จัจมีห้าวาร ะ, ร ะ, ะ, จจาระอธิปัจัยมีสิบสามวาระอวิคตปัจัยมีสบสามวาร ะ, า ะ, จจาระนิจยะมิจฉะขะตนาซีรหสิบสอง ปัจจัยสามคือนิสยะอัตถิและอวิคตะมีสิบสามวาระปัจจัยสี่คือนิสยะอธิปติอัตถิและอวิคตะมีแปดวาระปัจจัยสี่คือนิสยะอินทรียะอัตถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยสี่คือนิสยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีห้าวาระปัจจัยห้าคือนิสยะอธิปติวิปยุตตะอัตถิ และอวิคตะมีสี่วาระปัจจัยาคือนิสยะอินทริยะวิปยุตะะต ะ, ะ, ะ, ะาตาาจจอะตะัตถิและอวิคตะมีสามวาระปะกินนกะคตนาสี่ปัจจัยาคือนิสยาปุเรชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คือนิสยะมารมณะปุเรชาตะวิปยุตตะอัตถิ และอวิคัตะมีสามวาระปัจใจแปดคือนิสยะอารมณนะอธิปติปุปานิสยะปุเรชาตะวิปยุตตะอัตติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจใจหกคือนิสยะปุเรชาตะอินทริยะวิปยุตตะอัตติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระสหาชาตคัตานา4๖๔ ปัจจัสยสาาาี่คือนิสยะสหชาตาะอัตติและอวิคตะมีเก้าวาระปัจจัยห้าคือนิสยะสหาชาตะอ <nd> ัญญมัญญะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยหกคือนิสยะสหชาตะอัญญามัญญะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยห้าคือนิสยะสหชาตะวิปยุตตะอัตติ และอวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคือนิจยะสหชาตะอัญญามัญญะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระอวิปากะหปัจใจห้าคือนิจยะสหชาตะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจหกคือนิจยะสหชาตะอัญญมัญญะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยเจ็ดคือนิจยะสหชาตะอัญญามัญญะวิปากะสัมปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยหคือนิจยะสหชาตะวิปากะวิปยุตตะอาตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจดคือนิจยะสหชาตะอัญญามัญญะวิปากะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ สวิปากะหนิจยะมูลกะในจกอุปนิจยะสภาคขณะ๔65อารามณปัจจัยกับอุปนิจยะปัจจัยมีเจดวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีเจดวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมานันตระปัจจัยมีเจดวาระนิจยะปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาเสวณะปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปยุตะะะปปยะตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนัติปัจจัยกับอุปานิจยปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตาปัจจัยละถึงมีเจดวาระอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิจยะคตนา466ปัจใจสามคืออุปานิจย อารามณะและอธิปติมีเจวาระปัจจัย6คืออุปนิสยาอารามณะอธิปติอุเรชาตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออุปนิสยะอารามณะอธิปตินิสยะอุเรชาตะวิปยุตตอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย5คืออุปนิสยะอนันตระสมนันตระ นาถิและวิคตะมีเจ็ดวาระปัจใจหกคืออุปานิจยะอนันตระ ส, สมานันตระอาศวนะัวนะณะนาถิและวิคตะมีสามวาระปัจใจสองคืออุปานิจยะและกรรมะมีสองวาระปัจใจหกคืออุปานิจยะอนันตระ ส, สมานันตระกรรมะนาถิและวิคตะมีหนึ่งวาระอุปานิจยะมูลกะในจบ ปูเรชาตะสภาค้นงใ467อารมณปัจจัยกับปูเรชาตะปัจจัยมีสาวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนิจยะปัจจัยมีสาวาระปุปนิจยะปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสาวาระอธิปัจจัยกับปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระ อวิคตตปัจจัยละถึงมีสามวาระปุเรชาตะค ต, ตนา468ปัจจัยสามคือปุเรชาตะอัตถิและอวิคตตมีสามวาระปัจจัยห้าคือปุเรชาตะนิสยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตตมีสามวาระปัจจัยสี่คือปุเรชาตะอารมณะอัตถิและอวิคตตมีสามวาระ ปัจใจหกคือปุเรชาตะอารามะนะนิสยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคือปุเรชาตะอารามะนะอธิปติอุปนิสยะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจแปดคือปุเรชาตะอารามะนะอธิปตินิสยะอุปนิสยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยหคือปุเรชาตะนิสยะอินทริยะวิปยุตตาอัติและอวิคตามีหนึ่งวาระปุเรชาตะมูลกะในจบปัจฉาชาตสภะขนสี่ยห6 9วิปยุตตาปัจจัยกับปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยละถึงมีสามวาระอวิขตะปัจจัยมีสามวาระ ปัจฉาชาตะคตานา470ปัจใจสี่คือปัจฉาชาตะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีสามวาระปัจฉาชาตะมูลกะในจบอสัยวนาสภานใน471อั น, นันตระปัจจัยรับอาเยวนปัจจัยมีสามวาระสมานันตระปัจจัยละถึงมีสามวาร ะ, ป, าะปุญิสยปัจจัยมีสามวาระ นัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอาเสวณะคตานา472ปัจใจหกคืออาเสวณะอนันตระสมนันตระอุปนิสยนัยนัตถิและวิคตะมีสามวาระอาเสวณะมูลกันในจบกรรมะสภาขันใน473 อนันตระปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสาชาตะปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญาปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีเจดวาระสมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ วิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระกมมรรมะปกินนกคตนา474ปัจใจสองคือกรรมะและอุปนิสัยมีสองวาระปัจใจหกคือกรรมะอนันตระสมานันตร ะ, ตระอุปนิสัยนัตถิ และวิคตะามีหนึ่งวาระ ma, สหชาตะคตนา475ปัจจัยหคือกรรมะสหชาตะนิสยะอาหาระอัติและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยเจ็ดคือกรรมะสหชาตะอัญญามัญะนิสยะอาหาระอัติและอวิคตะมีสาวาระปัจจัย8คือกรรมะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะ อาหาระสัมปยุตตะอาทิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจดคือกรรมะสหชาตะนิสยะอาหาระวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสปัจจัยเจคือกรรมะสหชาตะนิสยะวิปากะอาหาระอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือกรรมะสหชาตะ อัญญมัญญา น, A, นิสยะวิปากะอาหาระอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจเจก้าวคือกรร ม, มะสหชาตะอัญญามัญญานิสยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือกรร ม, มะสหชาตะนิสยะวิปาก ะ, อ, ะ, อ, ะอาหาระวิปยุตตะอัติ และอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9้าคือกรร ม, มะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอาหาระวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะหกรร ม, มะมูลกะในจบวิปากะสภาขณัยสียเจ็ดสิหกเฮตุ ป, ปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 วิปยุตตปัตจจัยมีหนึ่งวาระอธอิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากาคัตานา477ปัจใจห้าคือวิปากะสหชาตะนิจยะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจห6คือวิปากะสหชาตะนัญญมัญญานิจยะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปั จ, จัยเจ็ดคือวิปากะสหชาตะอัญญะมัญญะนิจยะสัมปยุตตาอัตถิและอวิคขตะมีหนึ่งวาระปัจจัยหกคือวิปากะสหชาตะนิจญะวิปยุตตะอัตถิและอวิคขตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจ็ดคือวิปากะสหชาตะอัญญะมัญญะนิจยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคขตะมีหนึ่งวาระ วิปากะมูลกะในจบอาหาระสภาข้างใน478อธิปฏิปัจจัยกับอาหาระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจใจและถึงมีเจดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมีเจดวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระ สัมปยุตตปั จ, จัยมีสามวาระวิปยุตตะปั จ, จัยมีสามวาระอธิปัจัยมีเจดวาระอวิคตตะปัจัยมีเจ็ดวาระ อ, าจจาระอาหาระนิจกกะคตานา479ปัจใจสมคืออาหาระอธิและอวิคตมีเจ็ดวาระสหาชาตะสามัญญะคตานา480ปัจใจัยาคืออาหาระ สหชาตะนิสยะอัติและอวิคตะมีเจดวาระปัจใจหกคืออาหาระสหชาตะานญยมัญญะนิสยะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจใจเจ็คืออาหาระสหชาตะานญยมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจใจหกคืออาหาระสหชาตะนิสยะวิปยุตตะ อธิและอวิคตะามีสาวาระอวิปากะ4ปัจจัย6คืออาหาระสหชาตะนิจยะวิปากะอธิและอวิคตะามีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะอญญะมัญญะนิสยะวิปากะอธิและอวิคตะามีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะัญญะมัญญะ นิจยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออาหาระสหชาตะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ วิปากะห้าสกรรมมะคตนาสี่้อยแปดสิเอ็ดปัจใจหกคืออาหาระสหชาตะนิสยะกรรมะอัติและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจใจเจ็คืออาหาระสหชาตะานญยมัญญะนิสยะกรรมะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะ พันยะมันญะนิสยะกรรมะสัมบยุตตาอาทิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจ็ดคืออาหาระสหชาตะนิสยะกรรมะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสปัจจัยเจ็ดคืออาหาระสหชาตะนิสยะกรรมะวิปากะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยแปดคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะกรรมะวิปากะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9ก้าคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะกรรมะวิปากะสำปยุตะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยแปดคืออาหาระสหชาตะนิสยะกรรมะวิปากะ วิปยุตตาอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจเจก้าวคืออาหาระสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะกรรมมะวิปากะวิปยุตตะอาติและอวิคขตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าสอินทริยะครตะนาสี่ร้ยปดสิบสองปัจเจกหกคืออาหาระสหาชาตะนิสยะอินทริยะ อาติและอวิคตะามีเจดวาระปัจจัยเจ็ดคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทรียะอาติและอวิคตะามีสามวาระปัจจัยแปดคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทรียะสำประยุตต์อาติและอวิคตะามีสามวาระปัจจัยเจ็ดคืออาหาระสหชาตะนิสยะ อินทริยะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะ4ปัจจัยเ็คืออาหาระสหชาต ะ, น, น, ะนิสยะวิปากะอินทริยะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตานญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย9คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสำปรยุตะอาถิและอวิขตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะวิปยุติอาถิและอวิขตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะ วิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าสธิปติอินทรียะพตะนาสี่ร้อยแปดสิบสามปัจจัยเจ็ดคืออาหาระอธิปติสหชาตะนิสยะอินทรียะอัตถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยเก้าคืออาหาระอธิปติสหชาตะ อัญยะมัญญะนิสยะอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยแปดคืออาหาระอธิปติสหชาตะนิสยะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสามปัจจัยแปดคืออาหาระอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะ อธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจสิบคืออาหาระอธิปติสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออาหาระอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ สวิปากะสามอาหารมูละกะใน จ, บ อ, นนจบอินทรียสภาขนไหนสปเหตุปัจจัยฝบอินทรียปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระ สหาชาต Adobe, ing, gy, ปัจใจมีเจดวาระอัญญมัญญปัจใจมีสามวาระนิสยาปัจใจมีเจดวาระปุเรชาตปัจใจมีหนึ่งวาระวิปากปัจใจมีหนึ่งวาระอาหารปัจใจมีเจดวาระชานะปัจจัยกับอินทรียปัจใจมีเจดวาระมขปัจใจละถึงมีเจดวาระสมปรยุตตปัจใจมีสามวาระวิปยุตตปัจใจมีสามวาระ อธิปัจัยมีเจดวาระ อ, อวิคตะปัจัยมีเจดวาระอินทริยมิสกขคัตนา485ปัจใจสามคืออินทรีย э ์อธิและอวิคตะมีเจดวาระปัจใจสี่คืออินทรียนิสยะอธิและวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยาคืออินทรียะนิสยะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีสามวาระ กัคยินะ ก, กะคัตนา486ปัจใจหกคืออินทรียะนิสยะปุเรชาตะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสหาชาตะสามัญญะคตนา487ปัจจัยาคืออินทรียะสหาชาตะนิจยะอัติและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจใจหกคืออินทรียะสหาชาตะอะัญญามัญะ นิจยะอัตถิและอวิคตะมีิสามวาระปัจจัยเจคืออินทรียะสหชาตะอิญยมัญญะนิจยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะานิสามวาระปัจจัยหกคืออินทริยะสห programm ชาตะนิจยะวิปยุตตะอัตถิ sliding, และอวิคตะมีิสามวาระอวิปปะสีปัจจัยหกคืออินทรียะสหชาตะนิจยะ วิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจ็ดคืออินทรียะสหชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยแปคือ ia, ah ata, any anya, at, ta, uta, อินทรียะสหชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะสัมปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจ็ดคืออินทรียะสหชาตะ นิจยะวิปากะวิปยุตตะอาทิและอวิขตะมีหนึ่งวาระปัจใจแปดคืออินทริยะสหชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะวิปยุตตะอาทิและอวิขตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าฉมัคคคตานาสี่ร้อยแปดสิบปดปัจใจหกคืออินทริยะสหชาตะนิจยะมาคาัคคะ อัิและอวิคตะมีเจดวาระปัจใจเจ็คืออินทรียะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะมัคคะอัถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออินทริยะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะมัคคะัมปยุตตะอัถิและอวิคตะมีสามวาระปัจใจเจ็คืออินทริยะสหชาตะนิสยะ มัคควิปยุตตะอาทิและอวิภตะมีสามวาระอวิปากะ4ปัจจัยเจ็คืออินทริยะสหาชาตะนิสยะวิปากะมัคคะอาติและอวิภตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทรียะสหาชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะมัคคะอาทิและอวิภัตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยเก้าคืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะมัคคะสัพยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8ดคืออินทริยะสหชาตะนิสยะวิปากะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะ มัคคะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าชาณะคตะนา4ี่้ปดสปัจจัยหคืออินทริยะสหาชาตะนิจยะชานะอัติและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยเจดคืออินทริยะสหาชาตะอัญญมัญยะนิจยะชานะอัติ และอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะชาณะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คืออินทริยะสหชาตะนิจยะชาณะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะ4ปัจจัย7คืออินทริยะสหชาตะ นิจยะวิปากะชาณะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยแปดคืออินทรียะสหชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะชาณะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคืออินทรียะสหชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะชาณะสัมปยุติอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจใจแปดคืออินทริยะสหชาตะนิสยะวิปากะชานะวิปยุตตะอาทิและอวิขตะมีหนึ่งวาระปัจใจเก้าคืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะชานะวิปยุตตะอาทิและอวิขตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าสชานะมัคคคตานา 90, ปัจจ okay. ัย7คืออินทรียะสหชาตะนิสยะชาณะมัคคะอัติและอวิคตะมีเจวาระปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะชาณะมัคคะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9คืออินทรียะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะชาณะมัคคะ สามปยุตะอะธิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะนิสยะชาณะมัคคะวิปยุตะอาธิและอวิคตะมีสามวาระอวิปกะ4ปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตินิสยะวิปกะชาณะมคคะอะธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยเกคืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะชานะมัคคะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคืออินทรียะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะชานะมัคคะสำปรยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคืออินทริยะสหชาตะานะิสยะ วิปากะชาณนะมัคคะวิปยุตตะอาทิและอวิขตะมีหนึ่งวาระปัจจเจศคืออินทริยะสหาชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะชาณนะมัคคะวิปยุตตะอาทิและอวิขตะมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าสาหาะคตานา4ี่เกอปัจเจหกคืออินทรียะ สหชาตานิสยะอาหาระอัติและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัยเจดคืออินทริยะสหชาตะานิยมัญญะนิสยะอาหาระอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออินทริยะสหชาตะานิยมัญญะน air, ิสยะอาหาระสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระ ปัจจัย7คืออินทรียะสหชาตะนิสยะอหาระวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสปัจจัย7คืออินทรียะสหชาตะนิสยาวิปากะอาหาระอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทรียะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอาหาระอัตติ และอวิคตะมีหน well <am> ึ่งวาระปัจจัย9คืออินทริยะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทริยะสหชาตะนิสยะวิปากะอาหาระวิปยุตต์อัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออินทริยะสหชาตะ อัญยะมัญยะนิสยะวิปากะอาหาระวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะ5สาธิปฏิอาหาระคตานา492ปัจจัยเจคืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิสยะอาหาระอัถิและอวิคตะมีเจวาระปัจจัย9คืออินทรียะอธิปติ สหชาติอัญญมัญญะนิสยะอาหาระสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือ อ, อ, าาจจค อ, อินทรียะอธิปติสหชาตะนิสยะอาหาระวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะ3ปัจจัย8คืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอาหาระ อธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจสิบคืออินทริยะอธิปติสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตะอัธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจเก้าคืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอาหาระวิปยุตตะอัธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ สวิปากะสสาธิปตมัคคะคตนา493ปัจจัยเจ็คืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิจยะมัคคะอัตติและอวิคตะมีเจ็ดวาระปัจจัยเกคืออินทรียะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะมัคคะสมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระ ปัจจัย8คืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิจยะมัคคะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระอวิปากะสปัจจัย8คืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิจยะวิปากามะมัคคะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10คืออินทรียะอธิปติสหชาตะอญานิญยญะ นิสยะวิปากะมะัคคะสัมปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจเก้าคืออินทรียะอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะมะัคคะวิปยุตตะอาทิและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะ 3. สามเสถตุมัคคะคาตะนาสี่้ยเก้าสิบสี่ปัจใจเจ็ดคืออินทรียะ เหตุสหชาตะนิสยะมัคคะอัตติและอวิคตะมีสี่วาระปัจจัย8คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะมัคคะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจใจเก้าคืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะมัคคะสัมปยุตตะอัตติและอวิคขตมีสองวาระ ปัจจัย8ดคืออินทริยะเหตุสหชาตะนิจยะมัคคะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระอวิปากะสี่ปัจจัย8ดคืออินทริยะเหตุสหชาตะนิจยะวิปากะมัคคะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะ มาคาัคคอาทิและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิยววบคืออินทริยะเหตุ U, สหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากรร ม, มัคคะสมปยุตตะอาทิและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9้าคืออินทริยะเหตุสหชาตะนิสยะวิปากรรมคะวิปยุตตะอาทิและอวิคัตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยสิบคืออินทรียะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะมัคคะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะรมห้าเหตุอธิปติมัคคคตาสี่ร้อยเก้าสิบห้าปัจจัยแปดคืออินทรียะเหตุอธิปฏิสหชาตะนิสยะมัคคะอัติ และอวิคตะมีสีวาระปัจใจสิกคืออินทริยะเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะมะะัคคะสัมยุตตะอัติและอวิคตะมีสองวาระปัจจเก้าคืออินทริยะเหตุอธิปติสหาชาตะนิสยะมะะัคคะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระอวิปากะสาม ปัจจัยเก้าคืออินทรียะเหตุอธิปติสหาชาตะนิสยะวิปากะมัคคะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย <17. S 2> สิบเอ็คืออินทรียะเหตุอธิปติสหชาตะาัญญมัญญะนิสยะวิปากะมัคคะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคืออินทรียะเหตุอธิปติ สหาชาตะนิสยะวิปากะมัคคะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระสวิปากะสามอินทริยะมูลกะในจบ